ท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสัสนิษฐานที่เริ่มต้นทักทายด้วยพุทธวัตรสวัสดีเพราะเราเชื่อในเรื่องของพุทธวจนะให้ท่านปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะกับพระม้าชาคาวโรผ่านไปตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาฟังเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะกับพระพบูรณญอภิปุโนวัดป่าดอนไฮโซดอนธา น, นีค่ะในวัฒการคะนั่นค่ะเชิญพาค่ะวันนี้ดิฉันเองมีคําถาม อยู่สองคำถามก็เลยคิดว่าต้องรีบถามเลยคำถามแรกนี่น่าเห็นใจคนถามมากเลยนะคะบอกว่าเมื่อปี2550คุณชิราณีเนี่ยคุณแม่ถูกคนร้ายคนใกล้ชิดนะคะทำร้ายจนเสียชีวิตบอกตอนแรกเธอทั้งโกรธและแค้นใจไม่รู้จะทำยังไงเอาหลักฐานหาหลักฐานเอาผิดก็ไม่ได้ทุกข์มากก็เลยไปวัดปฏิบัติธรรม ทำให้จิตใจดีขึ้นลดความแค้นลงไปบ้างแต่ก็ยังไม่หายแค้นอพอไปปฏิบัติธรรมที่วัดของท่านนะคะคือวัดป่าดอนหายโศกคุณชิราณีบอกว่าได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบรมีพระพุทธเจ้าช่วยให้เห็นภาพสาเหตุการตายของคุณแม่และก็ได้รับรู้ถึงการผูกกรรมของคนทั้งสองในอดีตชาติจึงยอมรับและให้อภัยแต่ลึกๆในใจก็ยังคุณหมองไม่สว่างอย่างไรก็ตามคนที่ทาร้ายคุณแม่เนี่ยได้ป่วยเป็นโรคเอส เพราะเสพยาเสพติดตอนนี้เสียชีวิตแล้วคุณชิราณีก็เลยกราบเรียนถามถ้าอาจารย์ว่าการทําอโหสิกรรมแบบไหนจึงจะดีและถูกต้องตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าและควรวางจิตอย่างไรจิตถึงจะสว่างไม่ผูกกรรมต่อกันอีกค่ะ อ, อันนี้มีอยู่สองสาประเด็นเรื่องคุณชิราณีคือการที่เร า, เามาเรียกมาปฏิปธรรมใช่ไหมเรียกว่าจิตให้มีสีสมาธิปัญญาแล้วก็ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย บางทีมันก็จะได้รู้สิ่งอะไรที่มันพิเศษพิเศษขึ้นมานะทำให้ใจแบบเบาสบายลงไปได้ทีนี้ว่าอย่างเรื่องของผัดสะที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยที่เราได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งคุณโยมติ๋วที่เราพูดถึงว่าเอ๊เราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะทำไม่ดีนะคือ uh huh. มีเจตนาดีแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมมันทำให้คนนั้นมีผลกระทบอย่างเช่นจะยิงงูแต่ไปโดนคนอย่างเงี้ยนะ uh huh. เพื่อป้องกันเขา uh huh. เขาขับตาย อย่างเนี้ยเราจะบาปไหมใช่ไหมแล้วเพราะถ้าเราทําถ้าเขาตายไปแล้วเราญาติเขาเนี่ยเขาจะมาผูกกฎกับเราเราจะทํำยังไงอย่างเงี้ยนะะก็ซีได้อธิบายไปว่าเจตนาเราไม่เบียดเบียนใช่ไหมเจตนาเราดีใช่แต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดล่ะนั้นะผลเกิดขึ้นคือเขาตายเพราะฉะนั้นมีการมีผัษานี้เกิดขึ้นกับคนอื่นนะเขาอาจจะไม่พอใจในการกระทําของเราทางที่เราเรีมีเจตนาดีนะเช่นเดียวกันนะทางกลับกันเหมือนกันนะ ทางกับกันกันนะคนที่มามีภาษากับเราเนี่ยภาษาเราเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะเป็นภาษาที่ไม่ชอบใจแต่เขาเจตนาดีนะคะแต่ผลที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เราไม่สบายใจอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าอย่าไปเอากรรมของคนอื่นเนี่ยมาเป็นกรรมของเราค่ะนหะมายความว่าถ้าเขาเจตนาดีในการจะทําอะไรแต่เราดันขุ่นมัวนะอันนี้ไม่ถูกเราเอาความชั่วมาใส่จิตนะแทนที่เราจะต้องเอาความดีมาใส่จิตเรา ถ้าเขาด่าเขาว่านะอย่าไปโกรธอย่าไปอะไรเพราะว่าความโกรธนี่เป็นความไม่ดีนวะทําให้เป็นกรรมของเรานะแล้วเราก็ทําจิตให้เป็นกลางๆนะหรือแผ่เมตตาไปนะอันนี้ก็จะจะเรียกว่าเป็นวิธีป้องกันไม่ให้กรรมชั่วมาเข้ามาสู่ตัวเราอ่นะเพราะถ้าเราเจตนาไม่ดีเราแบ่งกรรมชั่วมาเลยนะออันนี้ประการที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือ เรื่องกรรมเรื่องเวนเนี่ยนะนต้องทําความเข้าใจอย่างนี้คือความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรไม่มีนะ <Okay. S 1> กรรมมีเวนมีนะผูกเวนกันอย่างเงี้ยสมมติอาตมาเดินเดินไปอย่างเงี้ยเหยียบมดตายเราไม่รู้ตัวนี่มดก่อนตายมันมาจ้องหน้าเราแล้วมันก็ผูกโกรธเราอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นมดนลยมาผูกเวนกับเราแต่เราไม่ได้มีเจตนาไปเหยียบมดนะค <Okay. S 1> ่ะพนี้การผูกเวนของมดเนี่ยมดเขาจะแก้อย่างไงนะ ก็พระพุทธเจ้าเคยพูดหลักการเอาไว้ เ, เรื่องการปลูกเวรเป็นนะแต่เราไม่ได้มีกรรมกรรมชั่วเนะีไม่ได้มีเจตนาชั่วในการที่จะไปฆ่ามดใช่ไหมแล้วก็ความเป็นเจ้าข้าเจ้าของไม่มีในะความเป็นเจ้าข้าเจ้าของไม่มีมีแต่กรรมมีเวรมีเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้หมดเนี่ยไม่มาผูกเวรกับเรา อ, อันนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้อยู่ห้าอย่างนะการที่เราจะไม่ผูกเวรเนี่ยจะต้องต้องอาศัยเห็นห้าอย่างนี้ ในอย่างแรกก็คือการพูดความจริงในะอย่างที่2เนี่ยเป็นผู้มีความเพียรอย่างที่3เนี่ยเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างที่4เนี่ยเป็นผู้มากด้วยการสาธรณยายคือหมาถึงสดมน น, นะนะ <Okay. S 1> อย่างที่5นี่ก็เป็นผู้มากด้วยการบริจาคนะถ้ามี5อย่างนี้นะก็จะเป็นผู้ที่เป็นพระชจ้าใช้คําว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียน S <S นะประัญตคุณชิรานีมีคุณธรรมห้าอย่างนี้นะจะเป็นองค์ประกอบของจิตนะฟังให้ดีเป็นบริการของจิตเพื่อทําให้จิตไม่มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนนะย้ำอีกครั้งหนึ่งคือเป็นผู้พูดความจริงนะสองมีความเพียรสประพฤติพรหมจรรย์สี่เป็นผู้มากด้วยการสาธยายมนห์5เป็นผู้มากด้วยการบริจาคท่านจังคะช่วงนี้เขาบริจาคน้ําท่วมกันเยอะเลยอการบริจาคน้ําท่วม ถือว่าเป็นการบริจาคที่จะเป็นองค์ประกอบที่เป็นผลคือบริการของจิตที่ให้มีมมเงินไหมอได้สิได้คือพวกนี้ทําไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นให้เรามีบุญใช่ไหมค่ะทีนี้ก็ต้องถามว่าเอาถ้าบุญพูดถึงบุญมันก็ต้องเป็นองค์ประกอบทั้งผู้ให้ผู้รับใช่ไห ม, ม<อ>ผู้ให้ ค, คุณมีคุณสมบัติ3าอย่างไหมผู้รับคุณมีคุณสมบัติสาอย่างไหมถ้ามีบุญก็จะได้มากถ้าแต่และองค์ประกอบมันลดหลั่นกันลงไปก็บุญที่เกิดขึ้นก็จะลดหลั่นกันลงไปล่ะ อืมค่ะคือได้บุญด้วยได้บุญได้บุญแม้ถึงแม้เราไปทําบุญอ่าเขาเรียกช่วยเด็กกาําพร้าหรือว่าสถานเขาเรียกอะไรบ้านพักคนชาราอย่างเงี้ยนะก็ได้บุญนะช่วยคนน้ําท่วมก็ได้บุญค่ะ<า>ตอนนี้ได้บุญเยอะแ<ๆ>ยะเลยอตอนนี้ได้บุญจากเรื่องน้ําท่วมนี่เยอะเลยใช่ก็ช่วยเหลือกันนี้แสดงถึงความสามัคคีใช่ค่ะอันนี้ดีที่สุดแล้นะคะเป็นภาพของ ความรักรักในหมู่คนไทยอะไรเงี้ยนะเช่นชมท่านคะทีนี้มาถึงพุทธวจนะได้แล้วมังคะพุทธประวัติกันนะอีกนิดนึงนิดนึงตรงที่ว่าเป็นผู้มากด้วยการสาธยายมน่ะนะอันนี้เนี่ยจุดประสงค์คือการท่องจําพุทธวจนะให้ได้นะสาธยายเนี่ยคือเอามาท่องบนท่องบนจนจําได้อ๋อค่ะไม่ใช่ว่าไปสวดมนต์อะไรเป็นแบบเป็นพิธีกรรมไปอะไรไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะว่า การสาธยายเนี่ยจะทําให้เป็นผู้เป็นผู้หูสูดนะคือทรงจําพุทธวจนะได้ค่ะนี่คือจุดประสงค์ของข้ อ, ขอนี้ค่ะและถ้าหากว่าไม่รู้จะไปหาพุทธวจนะที่ไหนพยายามโทรเข้ามาที่ศูนย์สองสองหกเก้ายกันค่ะที่นี่เขาแจกให้เวลาสามเล่มค่ะและเราก็จะเห็นว่าประเด็นที่อย่างคุณชิรานีไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมก็เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยก็มีส่วนช่วยทําให้เราไม่ผูกเวรเขาได้เนาะมีชัดเจน เอามามถึงพุทธประวัติค่ะตอนนี้ก็ออกพรรษาแล้วนะคุณโยมติวใช่ค่ะแต่เราก็คิดว่า<ถ>จะจบต่อต อ, ต, อต่อบ้างเล็กๆ็น้อยให้มันจบแล้วกันนะะพุทธประวัติตอนนี้เราพูดอยู่ในส่วนของเสียงของคนอื่นที่พูดถึงพระพุทธเจ้าและเสียงของคนอื่นเนี่ยคือท่านพระพุทธทาสเนี่ยรวบรวมตรงนี้เอาไว้เนี่ยเพราะว่าคนนอกอย่างเช่นพวกที่เคยด่าพระพุทธเจ้ามาก่อนพูดเสียดสี อยู่ๆพอมีความเห็นถูกแล้วแหมมายกย่องสรเสริญเยินยอน ะ, <ค>ะก็ทําให้เห็นว่ า, าคําพูดของพวกนี้ก็พอที่จะฟังได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค<ะ>ําพูดพวกนี้จะไม่ใช่พุทธวจนะเนอะแต่ว่าเป็นเสียงที่คนหน่เงเขายกย่องบพระพุทธาในสมัยนั้นซึ่งก็ฟังดูแล้วก็ดีเหมือนกันอ่ะแต่ก็ให้ทราบไว้ด้วยว่าจะไม่ใช่พุทธวจนะอย่างนี้นะก <คะ S 1> ็มีเสียงของอทั่วๆไปนะเสียง ที่ยกยอ่องพระพุทธเจ้าทั่วๆไปเนี่ยก็อย่างที่เราอาจจะเคยได้ฟังมาว่าเป็ น, ปนพระอรหารตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่ท่องบทอิติปิโสอย่างนี้นะอ๋อค่ะแล้วก็จะมีจำนวนต่างๆกันไปบ้างนะซึ่งไอ้คำว่าอิติปิโสพระคัมภีร์อรหัสมาสมบูททรณเนี่ยบทนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคนเคยไปถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าเอ๊ะท่านเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะยกย่องพระองค์ยังไงพระองค์มีบุญคุณอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายตรงนี้มานะแล้วก็คนที่เอาไปพูดต่อเนี่ย ก็จะพูดในลักษณะว่าโอ้พระพุทธเจ้ามีชื่อกระ่อนมีชื่อเสียงไปกระชอนไปแล้วอย่างนี้ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้จึงเป็นพระอรหันต์อย่างนี้น ะ, ะอีกประการหนึ่งการที่พูดถึงคาสอนนี่ก็จะมีคนที่เคยพูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแต่สิ่งที่เป็นคำสอนเป็นแก่นล้ว น, วนอันนี้ของปริพาชกที่ชื่อวัชะนะเขาก็สอนแต่เรื่องของแก่นปริบเหมือนกับ เอาต้นสาระต้นใหญ่นะ<ะ>เอาเปลอกเปลือก ป, อ ก, ปอกสะเก็ดล่วงหมดเหลือแต่แกน่นะคาสอนของสมณะโคดมเป็นอย่างนี้มีแต่แกนนน่นละ้วนๆอันนี้อันที่เกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติที<ะ> น, นี้เรามาต่อเรื่องของอริยสัจสี่นะ<ะ>เรื่องของอริยสัจสี่นี้เรายัางอยู่ในเรื่องของพระอราหารันตะ์ก็พูดถึงการละอาสวะได้ ในแง่มุมนี้เป็นแง่มุมที่ดีที่จะพูดต่อไปนี้คือการละอัศาวะได้เนี่ยมีหลายแบบนะพระอาหารหันต์บางคนเนี่ยละอัศาวะได้เพราะว่าการเห็นนะคือเห็นแล้วก็ไม่ไหลไปตามนะคือสัมรวมอินทรีย์เอาไว้นะนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ละอัศาวะได้ด้วยการเห็นเห็นเขอาไปเห็นตามที่เป็นจริง นะั่นคือเห็นอะไรก็แล้วแต่ก็เห็นทุกสมุทัยนีโรธมรรคทำให้การอาัสาวะที่จะเกิดมันเกิดขึ้นไม่ได้นะเพราะเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ส่วนอย่างที่สองบางคนก็ละอาัสาวะได้ด้วยการที่สารวมอินทรนะีย์นั่นคือพิจารณาโดยแยบคายนะในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ปล่อยวางได้อันนี้ก็มนะีหรืออย่างที่สามก็ละอัสวะได้ด้วยการเสพคือ เสพจีวรใช่ไหมก็พิจารณาว่าเป็นแค่นุ่งหม่มนะเพื่อบำบัดความหนาวความร้อนนะพิจารณาเวลารับประทานอาหารก็ไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อโมเมานะเวลาเข้าที่อยู่อาศัยใช้สอยเสนาสนะก็เป็นไปเพื่อบำบัดความหนาวความร้อนลักษณะนี้ <คะ S 1> นะพิจารณาแล้วจึงเสพนะการเสพตรงเนี้ยทาให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยละอัศนวะได้หรืออย่างที่4นะ่ละอัศวะได้เพราะว่าความอดกลั้น <น> ค, คือต่อถูกต้องความหนาวความร้อนความหิวความกระหายพวกนี้ถูกคนดายัางเจ็บเจ็บแสบแบก็อดกลั้นได้นะอดกลั้นได้แล้วตรงนี้ปล่อยวางได้เนี่ยนะก็จะทำให้ท่านละอัศาวะได้ตรงนี้ก็มีะนะหรือบางท่า น, นะละอาัศาวะได้ด้วยการงดเว้นก้นเว้นตรงนี้ก็คือพระชาติพูดถึงงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุ งดเว้นจากงูหลักตอขวัก้นาห้วยเขวบ่อของโสโรคหลุมอุจจระนันแล้วงดเว้นในที่ที่ไม่ควรไปไม่ควรนั่งงดเว้นการครบกับเพื่อนผู้ลามกงดเว้นพวกนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่านะแต่พระพุทธเจ้าพูดไว้ด้วยบทเพียนชนะอย่างนี้นะส่วนอีกอีกอย่างหนึ่งนะบางท่านหนี่ก็ ตรงนี้อาจจะมีประเด็นนะคุณโยมติว๋วอย่างครู<ม>บาอาจารย์บางท่านเนี่ยในสมัยอดีตอย่างรุ่นหลวงปู่มัน่นหรือว่าลูกหลานของหลวงปู่มั่นนะนะที่ท่านไปอยู่ป่าเจอช้างเจอเสือเจ อ, อพวกเนี้ยพอท่านงดเว้นสิ่งเหล่านี้คือปล่อยวางได้คือกลัวใช่ไหมไปเจอสิ่งที่กลัวปล่อยวางปุ๊บท่านก็เป็นบรรลุเป็นบระรานได้อย่างนี้ก็มีออาจจะเป็นลักษณะนี้อาจจะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าดิฉันก็เคยที่ยินพระสงฆ์ที่ท่านเป็น ปฏิบัติมากๆท่านก็บอกว่าระหว่างที่ฝึกปฏิบัติกับพระอาจารย์เนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าอยู่ในป่ามันเจอสัตว์ร้ายทํำยังไงใช่ใชพระอาจารย์ก็บอกว่าก็ให้นั่งสมาธิต่อไปออท่านก็มีประสบการณ์ในการทําแล้วก็ได้พบว่าสัตว์ร้ายนะ่าไม่ทําร้ายท่านลืมตามาก็ยังอยู่เฉยๆแบบนั้นใช่อันี้ก็น่าสนใจมาก น, นั้นตรงเนี้ก็ถ้างดเว้นตรงนี้คืองดเว้นไม่ให้จิตมีกิเลสเกิดขึ้นนะเนาะอีกสองอย่างสุดท้ายก็คือการละด้วยการบรรเทา บรรเทานี้หมายความว่าถ้ามีความคิดทางการปฏิบัตเปลี่ยนเบียนเกิดขึ้นมาทิ้งไม่เอาไว้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยการเจริญให้มากก็คือเจริญสติสัมโพชงธรรมวิญยาณสำโพชงวิญยาณสำโพ ช, ชงคือโพชงทั้งเอย่างเนี่ยเจริญให้มากนะแล้วถ้าใครทําทั้งเจ็ดหเจวิธีนี้เนี่ยเจดวิธีนี้ก็จะสามารถทําให้ตัวเองเป็นพระราหันได้ในเสนอนี้ก็เป็นความรู้นะคะ โดยเฉพาะสำหรับคนที่อยู่บนเส้นทางไม่น่าเชื่อนะคะท่านอาจารย์ดิฉันได้พบคนที่มีความตั้งใจต้องการที่จะปฏิบัติไปจนถึงที่สุดนี่มากพอสมควรแล้วเป็นคนที่มีความรู้มากๆด้วยหมอเนี่ยเยอะไปหมดเลยท่านอาจารย์ก็จะอาศัยเวลาที่เหลือเนี่ยกลับเดิเนทางคำถามอะไรนิดหนึ่งเนื่องจากว่าพอน้ำมากเนี่ยข่าวสารออกไปเยอะคนก็ขวัญเสียอย่างกับกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านผู้ว่าก็ได้ประกอบพิธีไล่น้า Oh. ไปแล้วนะคะโดยท่านบอกว่าเป็นประเพณีโบราณมีคนเขาแนะนำมา uh huh. ทีนี้ดิฉันจะมากราบเรียนถ า, ถามถึงเรื่องหลักการในพระพุทธศาสนาค่ะ uh huh. uh huh. คือเหมือนกับเวลาเกิดวิกฤตคนถามหาความศักดิ์สิทธิ์ถามหาว่าจะมีปาฏิหารอะไรมาช่วย uh huh. เคยฟังว่าคำพูดของพระพุทธเจ้าหรือพุททวชนะเนี่ยคือปาฏิหารใช่ uh huh. สมมุติว่าจะให้ทางพระพุทธศาสนาช่วยเนี่ยจะให้สวดมนต์บทไหน เอาพุทธวจนะบทไหนออกมาช่วยกันครเออก็มีอยู่คือเหมืนถึงว่าเรื่องการบูชาอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ถ้าเราจะทําพิธีกา ร, รอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะ <c oughs> ก็ต้องเป็นพิธีกรรมที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้อะนะทีนี้เรื่องของอการที่จะไปบูชาเทพเจ้องค์ใดองค์หนึ่งเพื่อที่จะให้เขามาช่วยอย่างเงี้ยนะก็ต้องถามว่าคุณรู้จักเขาไหมคุณบูชาเขาด้วยคุณทําอะไร ใช่ไหมแล้วระเบียบการบูชาเนี่ถูกต้องไหม <c oughs> ซึ่งก็ยังมีข้อหนึ่งที่พู้เช่าบอกว่าแบ่งจ่ายทรัพย์นะให้โดยการบูชาเทวดาแต่ถ้าเราทําไปโดยแบบตามืดไม่รู้เรื่องอะไรเขาว่ามาก็ทํามามันก็อาจจะไม่ค่อยถูกทีนี้เราก็คงจะต้องรูนะ้ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับ <c oughs> ทเทพองค์นั้นอย่างนี้นะ <c oughs> ซึ่งบางคนก็ทราบได้บางคนก็ไม่ทราบก็พิจารณากันไปก็แล้วกันแต่โดยพุทธวจนะที่พูดถึง ความปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็พูดถึงความเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้อันที่1อันที่2 <Okay. S 1> คือเรื่องของกรรมณนะในรัตะนะตราย3อย่างเนี่ยคุณโยมติ๋วมันเป็นเรื่องอาชินไต่ที่จะสามารถทําสิ่งหลายๆสิ่งให้เกิดขึ้นได้ณนะอย่างกรรมอย่างเงี้ยเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเกินที่จะจินตนาการนะคิดใคร่ครวญเพราะฉะนั้นบางทีมก็พลิกผันไปเป็นอย่างอื่นได้นะครับท <Okay. S 1> ะ้งนั้นเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทําความดีใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละ เป็นเหตุที่จะทำให้เราตั้งมั่นอยู่ในความดีก็ทำความดีต่อไปเป็นบทสวนซักบทเลยได้ไหมครับ <c oughs> บทสวดที่พุทธเจ้าใช้บ่อยๆ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่ก็มีแล้วเรก็เรื่องของขันทั้งห้านี่ก็ได้เข้าใจไะอคะ <c oughs> คือถ้าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ย จะสวดได้แน่ๆที่เป็นพูท้ทวจนะนะคะคือสันเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณสวดบทแบบนี้ได้ไหมคะคือสวดล้วต้องระลึกถึงน ะ, ะปากพูดปากขยับเนี่ยเป็นภาษาบาลีต้องนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงค์นะคือถ้า น, นึกถึงมันก็สําเร็จประโยชน์แล้วจะจะปากจะขยับหรือไม่ไม่เป็นไรอ่าก็ให้สําเร็จประโยชน์ด้วยการนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงะค์นั่นแหละจะดีมากก็สรุปแล้วถ้าเป็นหลักของพระพุทธองค์อย่างที่ท่านไปบูรณ์ได้พูดไปแล้วนะคะ และยืนยันค่ะว่าคําของพระศาสดาของเราเป็นปาฏิหาริ์เหนือปาฏิหาริย์ใดๆทั้งมวลเพราะสามารถพาเราหลุดพ้นในสิ่งที่ไม่มีใครพาหลุดพ้นได้เลยนะคะก็คือการเกิดแก่เจ็บตายนี้วันนี้หมดเวลาจริงๆเลยท่านพิบูลคะ่ะต้องขอนาัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วพบกับท่านพิบูลสัปดาหหน้าคะ่ะน้องจัด ก, การคะ่ะส่วนเราคงต้องลาไปสั้นๆ น, น, นะคะสิบหกนี้ มีโอกาสก็่าลืมไปทอดกระทินที่วัดนาปะพงก็แล้วกันค่ะแล้วก็วันที่23นะคะถ้าไปทอดที่วัดตาดอนหายโศกก็อยู่จงังหวัดอุดรธา น, นีอำเภอหนองหารค่ะพุธวัสวัสดีและพบกันใหม่สมดาหหน้าค่ะ